ก็ความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังเท่านห้นแต่รมปปบทิยานกำลังนำเสนอเรื่องสมาวาจาคือการเจราจาชอบซึ่งนี้ของความเป็นจริงก็คือวจีสุจริตสีประการนั่นเองเพียงแต่ว่าอยู่ในระดับศีลศิกขาคือเ็นเป็นการศึกษาปฏิบัติ ระดับงดเว้นวันจึงพูดในระดับของการงดเว้นแต่เพื่อที่จะให้มองเห็นความสำคัญของวาจาเราจึงพบในย่าแห่งพระพุทธรรมหลักที่ส่งแสดงไว้ในพระบาลีประเทศต่างๆเป็นอันมากแล้วแม้แต่คติไทยเราเองก็มีความรู้สึก ตัวาปากนั้นเป็นหนึ่งจนเดียงเป็นคำกรอนไม่ว่าปากเป็นเอกเลขเป็นโทหนังสือเป็นตรีชุดีเป็นจาและมีการอาธิบายขยายความเรื่องของวาจาออกไปเป็นนันมากเช่นปากเป็นเอกมึงเสกมนให้คนเชื่อฉลาดหรือวาจาปชาชาญจะกล่าวถอยร้อยคำไม่ราคาญด้รากฐานที่ตนพนลําเข็น แล้เรามองดูตัวอย่างบุคคลที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงจนกลายเป็นนุสาวรีมีอยู่กระจายไปนในส่วนต่างๆของโลกก็เป็นเรื่องคนที่ประสบความสาเร็จในการใช้วาจาคือสื่อสารกันด้วยวาจาส่วนพวกศาสตราทั้งหลายพวกพระตบูรทั้งหลายพวกมหาบุรุษทั้งหลายต ล, ลอดทั้งพวกนักวิทยาศาสตร์ปรัชญาทั้งหลาย จนเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนนั้นก็ประสบความสำเร็จ ด, ด้วยการสื่อสารในทางวาจาเพราะในวันนี้ก่อนที่จะเข้าเนื้อหาสาระของสมาวาจาก็จะให้มองในภาคลุมภ์ของสมาวาจาก่อนตอนก่อนก็ไปพูดมาถึงประเด็นที่ว่าความเป็นผู้สะอาดพึงทราบได้ด้วยท้อยคำ การเปล่งวาจาออกมาเนี่ยแสดงถึงพื้นเพจริตรัตยาัยของบุคคลหล่อนั้นว่านิสัยใจคอจริงๆก็เป็นยังไงแต่ว่าต้องเข้าใจว่าไม่ใช่เป็นเรื่องสากลนะคระับมนุษย์เราเป็นสัตว์โลกที่ค่อนข้างเข้าใจยากคือเขาคิดอย่างหนึ่งก็พูดอย่างหนึ่งแล้วเขาทำอย่างหนึ่งได้ปากก็ปราศใจเชื่อคอก็ได้ บงการสังเกตถ้อยคำต้องสังเกตบ่อยๆแล้วก็มีความต่อเนื่องพอสมควรคือหลายๆเรื่องคือในสภาพจิตใจที่ปกติเขาก็อาจจะพูดจาได้ไพเราะแต่ถ้าหากว่าจิตใจเขาเปลี่ยนแปลงไปพ่ยังรักษาถ้อยคำหลอดนั้นไว้ได้หรือไม่ซึ่งบางครั้งบางคราวมันอาจจะมีการพิสูจน์ทดสอบ สังเกตติดตามตรวจสอบคือการรับรองในลักษณะนี้จะต้องชื่อมโยมด้วยการสังเกตติดตามแล้วก็ฟังบ่อยๆเพราะเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันไม่มีแรงกระแทกมากมันก็ยากต่อการที่จะรู้ว่าจิตใจเขาจริงๆเป็นยังไงพระเจ้ารับสั่งเล่าถึงสุภาพสตรีท่านหนึ่งชื่อเวเทฮิกา เดี๋ยวการยกย่องจากสังคมว่าเป็นผู้หญิงที่มีความสุภาพอ่อนโยนมีความแช่มชื่นเบิกบานมีความอดกลัน้นอดทนสูงเลวลาพูดจาอะไรเขาก็จะยกตัวอย่างนางเวเทยริกาเนะี่ยเป็นแบบคนทั้งหลายถือตามประพฤติปฏิบัติตามจะนางทาสีของนางคนหนึ่งชื่อ่ากาลีมันข้องใจสงสัย เพราะแกอยู่ใกล้ชิดเนี่ยแกเคยเห็นอารมณ์ที่แสดงให้เห็นถึงขาดความแช่มชื่นภายในแล้วก็ขาดความบดขั้นความบดคลุของคุณนายอยู่แต่มือเขายกยออปอปั้นกันมากแกเองก็ไม่กล้า ก, กัดคอแต่นั้นก็เพื่อพิสูจน์ทดสอบวันหนึ่งก็ลองทดลองใกล้นอนตื่นสายนางเวทีกาก็เรียก แต่ก็แกล้งไม่ตื่นทำเฉยๆตื่นขึ้นมาแล้วก็ยังพริกกลับไปกลับมาอยู่อีกทำให้นางเวทิกาขึ้นเสียงสูงหรือแสดงถึงอารมณ์โทสะที่บังเกิดขึ้นแต่วันนั้นเธอก็ลุกขึ้น น, นะฮะพอสังเกตจากน้ำเสียงว่ามันเปลี่ยนพอ ร, รุ่งอีกวันหนึ่งเนี่ย เรียกยังไงก็ไม่ลุกขึ้นปรากฏว่าคนที่มีน้ำใจสงบสุขเงียบอดก้นอดทนมีความแชม่มชื่นบึกบานภายในเนี่ยใช้คำด่าเลยคือรอจนด่าก่อนนะฮะแล้วก็ลุกขึ้นพอลุกขึ้นอีกวันหนึ่งเนี่ยทายังไงก็ไม่ยอมลุกด่ายังไม่ยอมลุกเลยขันตีก็กลายเป็นขันแตกจับไม้ตะพดตีหัวแตกเลย แกก็ไปป่าประกาศทรายว่าเนี่ยที่รับการยกย่องสันสซินกันเนี่ยก็ปรากฏว่าไม่มีความบักับนความบกพร่ไม่มีความแช่มชื่นภายในใจจริงๆเพียงแต่ว่าไม่เจออารมณ์กระทบแรงแรงเท่านั้นดิมันมาจากของคนบางครั้งมันไม่อยาบเพราะไม่มีเรื่องที่จะต้องพูดหยาบหรือไม่มีเรื่องกระตุ้นโถสะอะไรแรงแรงแกก็ พูดวาจาภพยระอ่อนหวานออกมาได้แต่ถ้าหากว่าไปเจออารมณ์อะไรขึ้นมาเนี่ยวาจาอาจจะหยาบคายก็ได้ก็เปล่งออกมาแต่ว่าวาจาบางครั้งบางคราวก็ไม่ใช่เป็นเกณ์วัดเสมอไปนะฮะเพราะว่าจากตำนานในพระไตบปิดกนี่จากหลักฐานในพระไตรปิดกก็ได้บอกถึงชื่อประเทระบางรูปเช่นพระปิลิมทวัจจะ ท่านก็กล่าวคำหยาบเป็นวาสนาของท่านบางทรั้งที่ท่านเป็นพระหันแต่ท่านก็ยังกล่าวคำหยาบอยู่แลวก็เป็นการแสดงเห็นว่าบางครั้งบางคราวเนี่ยจิตใจอันจะสะอาดก็ได้เพราะแน่จนี้จึงจึงให้ท่านคนสังเกตไว้ว่าต้องสังเกตบ่อยๆแล้วก็จะรู้ว่าเธอมีน้ำใจสะอาดจริงหรือไม่ กาต่อไปก็ทรงแสดงว่าควรเปล่งวาจาที่งามวาจาที่งามก็คือวาจีสุจริตดังที่กล่าวแล้วนั่นเองซึ่งหมายความว่าเราจะต้องมองเห็นโทษของการกล่าววาจีสุจริตเราเห็นคุณของการกล่าววาจีสุจริตเราก็กล่าววาจาที่งดงามออกไปแต่ว่ามีอารมณ์มากระทบมากระแทก รุนแรงยังไงก็ดำแต่ก็สามารถรักษาพื้นฐานความรู้สึกนึกคิดตรงนี้เอาไว้ได้เปล่งวาจาทิ้งงดงามออกไปได้ก็ถือว่าเป็นคนดำรงอยู่ในศีลเตลืนนะฮะว่าศีลนี่มันถ้าเรายังงดเว้นไม่เด็ดขาดจริงๆเนี่ยวันหนึ่งตะบะมันก็แตกได้ แต่ตามปกติแล้วเราก็ไม่เคยเจอเรื่องแรงๆขนาดจะต้องตาบ้าแตกบนความสมรวมระดับศีลถ้าหากว่เาเรื่องไม่กระแทกแรงๆเนี่ยเราก็รักษาศีลไว้ได้อยู่และในยันหนึ่งก็ส่งสอนว่าควรเปล่งวาจาไพเราะที่มีประโยชน์อันนี้เพื่อจะบังคับนะครับเพราะวาจาที่ไพเราะอ่อนหวานบางครั้งมันไม่มีสาระประโยชน์อะไรจนการยกยอปอปั้นกันเกิ น, กนจริง พูดเกินเหตุเกินควรไปยกย่องสนเสริญเชลอเลิรจนไม่มีพื้นฐานของความจริงอยู่นี่ก็กลายเป็นคำที่เราเรียกว่าเพอร์เจอร์นะฮะมันก็ไร้สาระแล้กวก็จริงก็ไม่มีสาระแกนสารที่ควรแก่การรับฟังไดประการใดเพราะงั้นมันก็ต้องมองประโยชน์ ทีนี้เมื่อมองในประโยชน์ก็เกณฑ์กําหนดในทางวาจาอย่างที่บอกไว้ในวันก่อนว่าโดยหลักแล้วเนี่ยเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงไหมเป็นธรรมไหมเปีประโยชน์ไหมคนณฟังชอบใจไหมบางครั้งคุณควางอาจจะไม่ชอบใจแต่เรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องดีมีประโยชน์คุณควางอาจจะไม่ชอบใจแต่พูดแล้วมันแก้ปัญหาได้มันป้องกันเรื่องเลวร้ายต่างๆได้ก็ดูกาลเทศะ ุกความเหมาะความควรก็พูดวาจาเหล่านั้นออกไปซึ่งบางครั้งบางคราวเนี่ยผู้ฟังก็อาจจะชอบใจแต่เรื่องมันไม่ได้สาระประโยชน์อะไรซึ่งก็นีเราสังเกตดูว่าตามปกติแล้วคนจะชอบวาจาที่ไร้าสาระมีการดุกโหยปอปั้นกันเกินเหตุเกินผลหรือว่าการเล่นการแสดงตลกต่างๆที่ปรากฏในสื่อทั้งหลายเนี่ย เราสังเกตนะฮะวาจามันก็ไปเลาะสนุกสนานจะถามว่าฟังแล้วได้ประโยชน์อะไรมันก็หาคำตอบไม่ได้มันได้ประโยชน์อะไรแต่อย่าลืมนะฮะว่าโลกเนี่ยนิยมชมชอบวาจาในลักษณะนี้นสมัยโบราณกษัตริย์ก็ยังมีตลกหลวงอยู่เพื่อจะลดความเครียดภายในพระไทยของกษัตริย์ แต่เรื่องที่เอามาพูดที่จริงก็เรื่องไรก า, าระเพื่อบรรเทาผ่อนคลายความตึงเครียดลงไปหลักการสําคัญเนี่ยจึงเป็นองค์ประกอบว่าเรื่องที่ไพเราะเนี่ยแต่ต้องมีประโยชน์ทีนี้ถ้าดูว่าเรื่องมันยาบแต่ว่ามีประโยชน์กับเรื่องไพเราะแต่ไม่มีประโยชน์เนี่ยอา จ, จะดุอาจจะดา่าอาจจะตําหนิ แต่ว่าถ้าปฏิบัติตามแล้วมันได้ประโยชน์รวจานั้นก็ถือว่าใช้ได้เพราะเ็าจริงในรายละเอียดเนี่ยเขาจะมองไปที่เจตนาอย่าลืมว่าสีนี่จะมองไปที่เจตนามาเจตนาคือความจงใจหรือความตั้งใจสระดับกฎหมายก็เหมือนกันเขาจะพูดเรื่องเจตนา เจตนาปกปิดไหมเจตนาแล้วมืดไหมเจตนาจะทําอย่างนั้นไหมจะทําอย่างนี้ไหมเนี่ยเขามีเจตนาหรือเปล่าคือบางครั้งมันไม่ใช่เจตนาไม่ใช่เรื่องของความจงใจถ้าในกรณีเช่นนี้เราก็ต้องยอมรับแล้วก็เข้าใจเห็นใจก็ให้อภัยก็ได้จเรื่องที่ เป็นกระแสที่ดังอยู่ในบ้านในเมือง เ, าเราสังเกตว่าเรื่องบนเรื่องเนี่ยถ้าเราดูว่าก็าทำอย่างนี้เขาได้อะไรถ้าเขาไม่ทำเนียเขาได้อะไรคือมันไม่ได้อะไรด้วยกันนั่งถ่อมกายโดยแสดงว่ามันไม่ได้มีเจตนาจงใจและรัดเองก็ไม่ได้สูญเสียประโยชน์อะไรจากการกระทาเช่นนั้นของเขาเพราะในแง่ของศีลถ้าเขาไม่เจตนาก็ไม่ถือว่าผิด เพาะศีถ้าศีลใหญ่ๆนะฮะมากวา ม, มาเรื่องมาแรงๆเนะี่ยจะต้องมีเจตนาเป็นหลักถ้าไม่เจตนาพูดพลัง้งพูดพลาดพูดเผลอไปเนี่ยเขาไม่ได้ถือไม่ถือว่าเป็นวิจิตรจริตตัวคนเรามันก็เผลอไปได้นะแต่ถ้าความเสียหายยังไม่ได้เกิดเนี่ยเขาไม่ได้ถือว่ามันเป็นเรื่องเสียหายนะเช่นสมมติว่า เป็นวันจันทร์คนเ็าถามเราต้องการจะบอกวันจันทร์ล้วก็เผือบอกเป็นวันอังคารเสร็จแล้วเราก็บอกซึ่งใหม่ในการสื่อสารครั้งแรกเขาคาจะผิดแหละแต่ว่ามันไม่ได้เป็นเหตุให้เขาไปทำชั่วอะไรพอเราก็บอกวันที่ถูกต้องให้ตามมาในช่วงหลังก็ถือว่าพูดพรัง้งพูดพลาดพูดเผือไปคนเราก็พลั้งได้เผือได้นะพลาดได้ ออกจากคนที่มีสติสมบูรณ์คนที่มีสติสมบูรณ์ก็มีเฉพาะอราหันต์เนั้นเองแต่นั้นวาจาีตรงนี้จึงมองสองนัยยะ น, นะหนึ่งเรื่องนั้นต้องเป็นประโยชน์ภายหลังนั้นไม่ใช่ประเด็นหลักครกับเพราะอะไรเพราะว่าปากหวานค้นเปรี้ยวมือถือสากปากถือศีลปากปลาใสใจเชือดคออบางครั้งบัคขาวสั่งฆ่าคนเนี่ยอให้คนนี้ไปนอนหลับไปที่ ผู้เพาะนะให้คนนี้ไป น, นอนได้ดูแล้วไม่น่าจะแรงนะะแต่ว่าลูกน้องรับรู้ว่าลูกผีสั่งฆ่าเลยต้นวา จ, จาบางทีนี่มันไถ่รอดแต่ไม่ได้ประโยชน์อะไรท่านก็ไม่ถือว่าเป็นวจีสุจริตอาจจะไม่ไพ่รอดแต่ได้ประโยชน์แต่ท้ายดีเนี่ยทั้งไพ่รอดด้วยได้ประโยชน์ด้วยมันก็ดีนะฮะแต่ว่า คนฟคังจะรู้สึกสบายหูสบายใจที่ได้ยินได้ฟังถ้กรคำเช่นนั้นแต่ว่าเกณฑ์กำหนดที่มองเนี่ยมองผลกระทบนะฮะวันท่านก็กล่าวไว้ในสังยุตติกายบอกว่าควรกล่าวแต่วาจาที่ไม่ยังตนให้เดือดร้อนเพราะก่อนจะพูดอะไรเนี่ยเรา จะพูดก็ได้ไม่พูดก็ได้มันอยู่ที่ความรับผิดชอบของเราอย่างที่ท่านกล่าวไว้ว่าก่อนจะพูดเนี่ยเราเป็นนายของคําพูดแต่พูดแล้วคําพูดเป็นนายเราคนทํายังไงเรื่องบางเรื่องก็ไม่พูดสับ้างที่คนรุ่นบู่ย่าตายายท่านสอนนะที่จริงก็ดีนะฮะพูดไปสองไฝเบีย้ยมิ่งเสียตะเมิงทองแล้วคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาข้านนะฮะส่วนเคยเคยได้ยินพวก NGO เอ็นจีโอเาว่า มันแสดงด้ึงความขาดกลัวไม่กล้าอะไรๆไม่รับผิดชอบไม่กล้าทำงานเพื่อสังคมมันคนละประเด็นเลยนะฮะไเร็วพูกคนลเรื่องกันเลยเป็นเรื่องอะไรก็าตามที่มันพูดไปแล้วเนี่ยไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาแล้วก็มีความเดือดร้อนแล้วรับผิดชอบไม่ได้เช่นสมมติว่าเราไปกล่าวหาเขาเนี่ย ได้ยินข่าวลือว่าเขานั่งกดนั้นก็เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแเราก็ไปพูดตามข่าวแล้วรับผิดชอบได้เราเรารับผิดชอบไม่ได้แต่ว่าความเสียหายเนีเกิดขึ้นแก่เขาแล้วเพราะาบนเรื่องเนี่ยมันก็ต้องถือหลักตรงนี้วพูดไปสองไปเบี้ยนิ่งเสียแต่บึงทองคือถ้านิ่งไว้มันเกิดประโยชน์เนี่ยก็นิ่งไว้ดีกว่าแตาพูดไปแล้วได้ประโยชน์มันก็พูดไปดีกว่าเรี่งความเดือดร้อนเนี่ยปัญหาปัญหาว่า เรื่องมันเรื่องมันก็มีหรอกแต่ว่ามีความสุขอยู่เบื้องเบื้องหน้านะรอคอยอยู่ข้างหน้าเช่นสมมติเราเห็นการกระทำทุจริตคิดไม่ชอบในวงราชการด้วยการกระทำของใครหรือเคยโง่ก็โจนไปกระทำชั่วทําผิดเนี่ยคอือต่างคนต่างกลัวจะเดือดร้อนหมดมันก็ยุ่งเหมือนกันนะเพราในเรื่องเหล่านี้ ถ้าเป็นประจักษ์ที่ชัดเจนมีพยานหลักฐานเอกสารต่างๆสามารถรยืนยันความสู้ความผิดของบุคคลเหล่านั้นได้ก็พูดไปตามตรงแน่นอนเขาอาจจะไม่พอใจแต่ว่าเพื่อพิทักษ์ความเป็นธรรมในบ้านในเมืองหลักการตรเนี้เราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าเองทรงคำเป็นหลักเจาความประพฤติบางอย่างของพระบางทุก มันเป็นผลกระทบต่อองค์รวมของความเป็นพระพุทธศาสนาวันบางครั้งก็ถูกลุกนะพระพุทธเจ้าจะดุ ก, ก่อนจะบัญญัติพระวินยัยอย่างคําสุภาษิติว่านิการเหตุนิการห้าระหังปะกันเหตุปะกห้าระหังกกนเกก น, งนี่ยคือยกย่องคนที่ควรยกย่องเมื่อเขามีการกระทําที่ควรยกย่อง ตำหนิคนที่ควรตำแหนนเพราะเขมีการกระทำที่ควรตำหนนเป็นการมองที่การกระทำไม่ได้มองชี้ผู้กระทำเพราจะามองผู้กระทำบางครั้งเราก็อาจจะเอียงได้นะฮะอาจจะเอียงด้วยความรักก็ได้เออญาติพี่น้องของเราลูกหลานของเราเพื่อนฝูงของเราอาจจะเอียงก็ได้หรืออาจจะกลัวก็ได้อาจจะไปซั่นเติมเขาก็ได้ก็แล้วแต่คืออาจจะ ยังดูโทษากติโมหกติพยาคติก็แล้วแต่แต่ถ้าเรามองที่การกระทำเนี่ยเราไม่ไปรับรู้ว่าใครเป็นคนกระทำจำลองง้ายๆกับตรวข้อสอบก็มีหน้าที่สอบก็ตรวจไปนะฮะดูว่าเข้อตอบผิดหรือตอบถูกเท่านั้นเองตอบถูกเราก็ให้คะแนนไปตอบผิดก็หักคะแนนวันนี้คนถูกหักนั้นอาจจะเป็นลูกหลานของเราก็ได้คนที่เราให้อาจจะเป็นคนที่เขาไม่ชอบเราก็ได้ แต่ตอนนั้นมันพูดเรื่องการสอบไม่ไพูดเรื่องคดการเป่งวาจาการพูดวาจาก็าเหมือนกันคือบางครั้งมันอาจจะเดือดร้อนนั่นนะฮะแต่ว่ามีความสุขความสงบความเป็นธรรมรออยู่ข้างหน้าเราก็ทำนองใกล้ๆกับว่าเวลาพระไปทำผิดแล้วกำหนดวินัยเอาไว้ไม่ให้พระอื่นไปป ก, ป, กปิดไว้ หรให้โจย์ให้ทวนขึ้นมาเพื่อจะขจัดปัญหาเหล่านั้นไม่ให้กําเริบเสบสารออกไปแต่ถามว่าพระองค์นั้นจะโกรธไหมก็แต่ก็ต้องโกรธนะก็ธรรมดาแต่ว่าเพื่อหมู่คณะเพื่อองค์กรที่เป็นส่วนรวมจําเป็นจะต้องขจัดปัดเป่าปัญหาเหล่านั้นออกไปกรก็โกรธเป็นเรื่องได่ช่วยอะไรไม่ได้แต่เราก็ไม่เดือดร้อนกับความโกรธของขา่าว ถ้าเขาโกรธ็าอาคาดปยายามจะเป็นเรื่องของเขาแต่เราถือว่าเราก็ทําหน้าที่เพราะฉะการปฏิบัติหน้าที่บางอย่างหรือการพูดจาอะไรไปตามหน้าที่บางอย่างมันไม่ใช่เป็นเรื่องส่วนตัวอย่างวันก่อนเนี่ยมีคนมาเล่าให้ฟังว่าพวกที่มีส่วนในการปฏิรูป ก, การศึกษาเนี่ยจะส่งคนนคนหนึ่งเป็นด็อกเตอร์นะฮะมาล็อบบี้อาตมา หรือไม่ให้พูดไม่ให้เคลื่อนไบวไม่ให้ทำพลาดอะไรต่ออะไรบอไม่ใช่เรื่องส่วนตัวคเราทํำรักษาระศาสนาเราไม่ได้โกรธเคืองใครเราไม่ได้มุ่งหมายผลประโยชน์อะไรแต่เราต้องการรักษาความถูกต้องดีงามในระศาสนาเท่านั้นแน่นอนพูดอย่างนี้ไปในคนเขาก็ไม่ชอบหรอกมีคนสูญเสียผลประโยชน์แต่ถ้าเราจะปล่อยให้ศาสนาถูกทําลายไปต่อหน้าต่อตาโดยองค์กรบริหารของคณะสงฆ์เนี่ย ถูกครอบงำด้วยคนที่มีนับถือศาสนาอื่ น, นทัางที่เรื่องของเขาเนี่ยเราไม่ได้มีส่วนรุ่งเกี่ยวอะไรเลยแต่ว่าเข้ามาก้าวไกลาเรามาควบคุมมาขับบัญชาเรานั่นคือประเด็นแล้วก็ไม่ยอมพูดประเด็นเลยไม่ยอมพูดในประเด็นตรงนี้วันก่อนเนี่ยก็ไปเจอเอกเอกสารสนสศแก้ต่างว่าการไปรูปทางนี้เนี่ยเพื่อเพื่อเทิดทูนธนุบำบุงพระพุทธศาสนาพูดจาไปได้นะ ในเราอ่านรายละเอียดก็ปรากฏว่ากูไป็หลกประเด็นอีกทันี้เราจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ไพเลาะจริงแต่มันไม่มีประโยชน์ใชในขณะเดียวกันเนี่ยอการท้วงจริงการตักเตือนการให้สติการขอร้องอะไรก็ตามเขาก็ไม่ชอบเราแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ตามนั้นแหละมันเกิดประโยชน์เรื่องมันเรื่องคนเราจึงต้องเสี่ยง เพื่อรักษาความถูกต้องดีงามเอาไว้เนี่ยมันจําเป็นก็ต้องเสียเขาก็โกรธไปนะฮะแต่เราไม่โกรธเขาก็แล้วกันคือว่าเราเราอย่าไปโกรธแต่คนโกรธเนี่เราห้ามเขาไม่ได้อ่ะนะเพราะการเกิดขึ้นของพระเจ้า จ, จริงคนโกรธเดยอะคนเกลียดเยอะนะคนริษยาพระงเยอะไลยมีการกล่าวหาใส่ร้ายป้ายสีกันสารพัดสารเพก็ไม่ชัวรว่ายังไงก็เป็นเรื่องของเขานะเขาหาเรื่องเขาเอง เพะะ น, นตัวการสําคัญเนี่ยต้องมองไปลึกซึ้งอีกในยันหนึ่งคือเรารับผิดชอบเฉพาะการกระทําของเราทีนี้ถ้าทําแล้วเนี่ยเราเดือดร้อนเดือดร้อนเพราะการกระทํำของเราเป็นเหตุนะครมันก็เป็นเรื่องที่ผลรพดเว้นแต่ถ้าเรากระทำเนี่ยเพื่อสร้างสารรค์พัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ แต่คนอื่นก็โกรธเขาไม่พอใจก็ไม่รู้จะไหว ย, ยังไงเหมือนกันต่อไปเรื่องกรรมของเขานะมันไม่ใช่กรรมของเราเพราะนั้นเมื่อเราไม่รู้สึกว่าเราไปทําชั่วแล้วสิ่งที่เราทําไม่ใช่ความชั่วเราก็ไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องเดือดร้อนมันก็กระทำได้นะการทุ่งปิงการห้ามตามการตักเตือนการตาหนิหรือบางครั้งมางคราวก็อาจจะวิพากวิจารณ์ อะไรออกมาก็ได้แก็ไม่ต้องไปสนใจในรายละเอียดขนาดนั้นว่าคนใครจะมีความรู้สึกยังไงเพราะถ้าเราไปคิดรายละเอียดอย่างนั้นแล้วในสุดไม่ต้องทําอะไรเลยนะว่าเด็กเคยสอนเราสอนหนังสืออยู่ในชั้นเรียนในนักศึกษาสอนนักเรียนสอนในเราดูเอาแกก็โกรธนะและ้วจะให้ทํำยังไงมันก็ต้องทําหน้าที่แต่ น, นั่นเองต้งฝั่งทั้งหลาย